ความสุขความเจริญจะมีได้ท่านสาธุชนท่านาั้นประสูตรในวันนี้จะได้พูดเรื่องปริบาชกสูตรคือประสูตรที่ว่าโดยบทแห่งธรรมสำคัญสี่ประการองค์ธรรมเหล่านี้มีต่อกันอยู่สองประสูตรประสูตรแรกท่านเรียกว่า ธรรมะประทัสูตรประดสูตรที่สองท่านเรียกว่าปริบาจสกุลแต่เนื้อหาสาระพูดถึงเรื่องเดียวกันมีคราวหนึ่งพูะเจ้าเสด็จไปในที่ประชุมของพวกปริภาชกปริภาชกนั้นเป็นนักบวชนอกระุทธศาสนา แต่มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะรุนแรงเท่าไรเขราพกดภะษาริบุตรพระโมคคัลลานะเก่านั่นเองท่านเหล่านี้ถ้าเกิดศรัทธาเลื่อมใสจะเข้ามาบวชในโรหตธศาสนาไว้บวชได้เลยตตามปกติแล้วถ้านักบวชในศาสนาอื่นจะมาขอบวชในโรหทธศาสนานั้นท่านต้องทดสอบแต่าน้อยก็สามเดือนดี๋ยวก็อยู่ติทยปริวาส แต่สำหรับปริภาชคเรายกเว้นให้จะต้องการจะบวชกระบวดได้เพราะว่าความเห็นมันไม่ค่อยเพี้ยนเท่าไหร่จะสามารถจะปรับกันได้ทำความเข้าใจกันได้เมื่อพูุทธเจ้าเสด็จไปถึงพวกปริพาชค ก, ก็กำลังประชุมกันเสร็จข้าไปแล้วคนเหล่านั้นก็ดีใจตอนรับพระองค์ เราขอให้พระองค์ประลบธรรม ะ, ระองค์ก็ทรงยกธรรมะขึ้นมาสี่ข้อคื อ, อนัภิชาอภยาบาทสมาสติสมา ส, สมาธิทรงทรงเชื่อว่าเป็นธรรมใหญ่เป็นธรรมในความสําคัญเป็นธรรมที่ยอมรับสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลไม่มีการเพิกถอนไม่มีการทําลายไม่มีการขัดขวางจากคนดีทั้งหลาย พระองค์ก็อยากจะดูว่ามีปริพัก์ชกคนไหนบ้างไหมที่จะยกย่องสันเสริญธรรมะตรงกันขํากับกุศลธรรมเหล่านี้มาความมาสันเสริญการเป่งเด็งโลภอยากได้ความพยาบาทมิฉาสติมิฉาสมาธิและเขาประกาศออกมาดูแล้วก็พิสูจน์ทดสอบดู ก็ก็จะประสบความ พ, พิบัติเดือดร้อนเพราะว่าไปประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นเพราะนธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นธรรมะหลักที่ใครไปเพิกถอนไม่ได้ถ้าเพิกถอนก็เดือดร้อนหมายความว่าใครไม่มีเนี่ยก็จะเดือดร้อนจากนั้นก็ทรงแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานคุณธรรมเหล่านี้ แล้วสั่งเท้าความไปถึงปริพาชคผู้ใหญ่สองท่านชาอุะละชนบทว่าทั้งสองท่านนี้มีความเห็นผิดที่ค่อนข้างแรงที่เราเรียกว่าอนยตามิชาทิชิแต่ก็จริงก็ไม่กล้าปฏิเสธองทำสี่ประการนี้ที่ไม่กล้าปฏิเสธนั้นพบปกลัว กลัวการถูกปิดเตียนกลัวไฟอันตรายกว่าความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ตนทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วความเปลี่เป็นวิจฉาชีพนี่ก็เป็นใจความโดยสรุปเราจะเห็นภาพในด้านประวัติศาสตรส์เดิมที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าเรามองมองประสูตรเนี่ยมันต้องมองให้เห็นสามแนวแล้วหนึ่งคือปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์สังคมในยุคสมัยนั้น ในที่สองก็คือข้อเท็จจริงในด้านปาฏิหาริย์ในที่สามคือข้อเท็จจริงในแง่ขององค์ธรรมเรื่องข้อเท็จจริงในแง่ของธรรมะในลักษณะาทางสังคมพุทธตั้งเดิมจริงๆเนี่ยเป็นสังคมที่มองคนทั้งหลายโดยเมตตาธรรมหมายความว่ามรธินิกายาศาสนาอะไรไม่เกี่ยอย่างทเจ้าทรงสแสดงวัฏฏฐาคต็ไม่ทะเลาะกับโลก มีแต่โลกทะเลาะ ก, กับตถาคตปุจจไม่ทะเลาะ ก, กับใครต่ ใ, ใครทะเลาะเราก็ห้ามใครก็ไม่ได้นะเพราะแนวารปฏิบัติตรงนี้จึงวางพื้นฐานของความเป็นนักบวชในาศาสนาเอาไว้ถ้าพูดง่ายๆก็คือความเป็นพุทธบริษัทนะนะก็คือผู้ฆ่าสัตว์เบียดเบียนสัตว์ไม่ชื่อว่าสมณะไม่ชื่อบวบันญิชิต ลักษณะของความเป็นพุทธก็คือว่าต้องไม่กล่าวร้ายไม่ต้องทํำลายอนุปวาโดนุปคาโตนั่นก็ถือว่าเป็นตัวหลักเพราะเราก็พร้อมที่จะเป็นมิตรกับใครก็ได้ในยามปกติพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายพระสาวกทั้งหลายก็ไปมหาสู่ก็นักบวชในลชทธิต่างๆแต่ตามปกติอย่างที่เราพบประสูนย์เป็นหมาโอ้เจ้าไม่ปฏิเสธเขาหรอกถ้าไม่แรงสาหัสสาการจนเกินไปจริงๆเราไม่ปฏิเสธเขา เพราะคำสอนระดับที่ห้ามสวรรค์มันก็มีระดับห้ามนิพพานก็มีระดับไม่ห้ามสวรรค์แต่ห้ามนิพพานก็มีระดับห้ามทั้งสองอย่างก็มีเพราะพุทธเจ้าจะปฏิเสธก็มักจะปฏิเสธคําสอนระดับที่ว่าปิดประตูสวรรค์ปิดประตูนิพพานมันแรงเกินไปเดี๋ยวจะนําพาคนตกเหวตกบ่อกันหมด